พระจาสัมพันธ์ให้เราทราบหนึ่งว่าเขาสองสามวันก่อนรวงพ่อและคณะจะหายไปสองวันแล้วก็เป็นตัวแทนของพวกเราไม่ถวายปัจจัยไทยทางเลยเสด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปขอรับประทาน พาใจเพื่อไปทอดที่ล er, ูนเซียโดยการอง เ, เป็นตัวแทนวันนี้เกียวรนเกว อ, วอมาแล้วเกียวออยู่แล้วใช่หมเออเออเเอาม า, อามาตั้งเลยถอยตอนนี้เลยเอามาใส่กันให้ทุกคนได้อับหมดแล้ว ปามลีวันแล้วก็โมคณะในนาบริษัทบิ้งฟลอและราชท้าบริษัทที่ทไปรับพ้าไตประธานจากกย่างเป็นสังฆราชหือว่าเป็นศริมงคลท อ, อ, ลอันมุทนาปามลีวันจะเป็นตัวแทนของพวกเรา ไปทอดที่อินโดนีเสียอ่าตั้งสวยๆเลยอืมบุ๊ช็อตเลยมีผ้าขาวด้วยไปนั่นหลังจากเทอดกนเต็เสร็จแล้วก็จะไปอินโดนเซียไปสิบสองมาคืนสิบสามสิบเอ็ดวัน เป่ข่าวดีพระพระประจําภาษาที่เรือก็พระไทยเรานี่ยที่ขอในบนท่นไปห้าหรูปไม่ะจะพรรษาสามเดือนก่อนนานนั้นก่อนที่ขับอาจารย์เชียรพันก็รีบไปเพื่อให้กะวังใจพจะให้อยู่ออยรอบรรษาเพดมีพระประจําพรรษา ปกติแล้วมันไม่มีพระอยู่ประจาเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่สมบูรณ์พร้อมทุก อ, อย่างแ้่สัพปปะยาะตานเขาอยากทำแล้วก็ททำไม่ได้แล้วก็เป็นกระถินที่ต่างวัดมองมันก็ไม่เคยมีพระครบห้ า, า, าวกรูปจริงๆเขาอยากจน่บนไปองค์เดียวแล้วก็ ทำกตินอะว่างั้นก็โดยที่ความไม่รู้นะก็เลยในดับบาปใดๆก็ทําให้มันู้ต้องตามพุท ธ, ธาญาตให้ครบจริจริงมันก็ได้บ้นเมืองเราก็ยุ่งเดี๋ยวก็อกทอากตินเพิ่มเยอะก็ขอมุธนานั่นก็สนเจตนาซึ่งวันที่ สิบสองก็จะได้เอาไปแต่เช้ายังมีคณะไปตามไปอีกรูปตั้งคอาจารย์แล้วก็เดินวนไปจากเมืองไทยหลายรูปว่าเราเดินวนไปห้ารูป้าไปช่วยกันว่าเราตั้งอะไรตั้งมายังไม่เคยได้วัาเราตั้งอะไรตั้งมายังไม่เคยมีเนละประเด็นนี้อืมไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่า ก, กัน ด้วยโอกาสอะไรว่ากันกระเถือกเกลียดแก่คณะแกพวกเราจะได้เป็นตัวแทนในนามต้นเด็ จ, จังรราชเนี่ยวันนี้เป็นวันออกพรรษาสามเดือน สามเดือนถ้าจะว่าเป็นพระจริงก็แค่สิบสองวันสิบสองวันได้นานไหมสามเดือนสิบสองวันคือจะเป็นวันพระเปวันเข้าวัดเข้า่าเป็นทางการสิบสองวันปีหนึ่งก็4ี่สิบแปดสสิบแปดวันก็เดือนกับสิบแปดวัน วเวลาทําความดีในโลกมนุษย์ของเราเนะี่ยอย่าไปคิดว่ามันเยอะเวลามันน้อยเวลาจำกัดเมื่อกี้เราพูดถึงตบบาทเทโวโลหนะก็ะซึ่งเป็นวันที่พูุ้ทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ลงจากสวรรค์ชั้นไหนนะดาวดออไปทาไม หนึ่งคือโปรดพระบรรดาสองคือเบื่อพระเบื่อพระเบื่อญาติโยมนี่แหละอยู่กับคนนี่มันอยู่ยากอยู่คนอยู่ยากก่อนหน้านั้นกับพระพระเวไ น, นท์ทอพระธรรมทอธรรมะไม่เข้ากัน เนไหมครัไปอยู่ของพระมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่ได้จะไหมเราอยงเดียวพระวินัยทอนก็คือเวลามีปัญหาเรื่องเรื่องธรรมคนนี้ตัดสินธรรมะก็เรียกพระวินัยทรนไอพระธรรมทรพระวินัยทรนนั่นก็คือเกี่ยวกับวินัยปัญญัติางพวกนี้คือสิ่ของพระ ถ้าเป็นล่วงละเมิดจะมีพระไปตัดสินคดีอธิกรณ์พวก อ, อ, อย่างเงี้ยเหพระเป็นกันซะเองเป็นพระวิริยธรรมนึกจากันครึ่งเครึ่งเรื่งกิจวัดรกับเรื่องวินัยตัวที่ทละลาะกันกับมันมันนี่ม่เรื่องอะไรมาแต่ภาษาเราคือเรื่องขี้เรื่องเดี่ยวนี่แหละไม่ใช่เรื่องเลย สมัยก่อนมันอุจระปัสสะเนะขาเรียกว่าฐานถ้าใครเกิดทันอาจจะไม่ได้ใช้แต่คนรอบนอกสมัยก่อนมันไม่มีส้วมอย่างสมัยนี้เนะขาเรียกว่าฐานอนะืคือส้วมที่ก็หลุกหุนลุกแล้วก็ขดก็เอาไม้พาดสมัยนี้มาเป็น น, น้อยังใช้บริการอย่างนทันยัง เอาไมา้พาดเสร็จแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วก็ไปยืนยองๆแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ชำระไม่มีไหนๆนั่นเธอรพระไม่ชำระไปทึงหลักฐานเอาไว้ก็กลายเป็นที่มาคำกรตะลอะปอกะแวงก็คือลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายแั้งคนถาบไปเล้าลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ับ ประมาณก็เป็นเาาาราให้อาจารย์ฟังอาจารย์ฟังเขลมออกหูทีนี้พวนออกหูเลยอเอาไปอามากลายเป็นฝั ก, กเป็นฝายแบ่งไป็นปสองฝายทั้งชาวบ้านชาวพระก็เป็นข้างใครข้างท่านกับเสียงคนละข้างอืมทวารหนังนกลาลังเป็น ก็เราไม่กี่วันก่อนเราก็งได้เห็นตามสื่อทำอะไยพระกับชาวบ้านเหมือนกันสรุปก็คือทั้งทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นภาษาเราง่ายคือนักเทศน์นักสอนเป็นนักเทศทั้งคู่หรอฝ่ายนักปรัชาพระเป็นพระวิปัสนาจารย์เมื่อรู้ควาหมายของพระวิปัสนาจารย์คืออะไร ไอ้คนเเป็นคราวาสญาณโยมแต่ทั้งคู่เขาเป็นคนสอนทำมองดูวนเปินดูไม่มีอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือเป็นคนสอนทำแต่ลืมสอนตัวเองสอนคนอื่นรู้หมดสอนได้หมด จะลืมสอนตนเองดูจากคำคำพูดคำจาที่เต้าๆกันมาแม้แต่ชาวบ้านมีสิทธิยังไม่กล้าพูดคนที่ชาวทมเป็นครูบาอาจารย์แล้วพูดง่ายๆก็ใช้ท้อยคำพวกนี้เออประเทไทย นี่เล่าให้พวกเราฟังไม่ได้ไม่ได้เพื่อเฉยเพื่อหเห็นว่าระหว่างสัญญากับปัญญาเนี่คือข้อแตกตา่างคือที่ใช้ใช้ใช้ทั้งหมดทั้งสองฝ่ายก็คือใช้สัญญาความจําดีความเข้าใจดีก็พาไปตามความจำความเข้าใจคนน่าสงสารพระพุทธเจ้า คือตัวฝ่ายก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องดีก็ เ, เจตนาดีแต่วิธีการมั น, ม น, มนใช้ไม่ได้โดยเฉพาะเจอฝ่ายพระพระบาทยู่พุทธญจ้าชัดเจนเลยในวันมค์เป็นเือสามพระเปโุ พ2 5สองรอห้าสิบรูปพระอาหารหันต์ประกาศเจตนาประกาศอุดมการวิธีการหลักการในวันนั้นชัดเจนว่าจากนี้เป็นต้นไปผู้ธีไปเผยแพร่ก่อนที่จะส่งไปเผยแพร่ไปทั่วสารทิศถ้าเป็นยังไงคือบทบลิเทสคนที่ออกไป คนที่เผยเพศาสนาจะต้องทำอย่างนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าอนุปวาโดรูปะคาตูภาษาบาลีภาษาไทยเราก็คืออนุปวาโดคือจอะเข้าไปกล่าวไยว่าอขาจะเข้าไปกระทบกระทั่งเปลี่ยดเยดสีด้วยคำพูดไอ้แค่นี้ก็รู้แล้วว่า คนที่เป็นเผยแผ่เป็นนักเผยแผ่ที่ดีไม่ได้เป็นนักสื่อสารที่ดีไม่ได้แต่ว่าส่งที่ตามมาเท่าที่เห็นก็คือมักจะมีลาภสักกะระตามมาโมหะครอบนำเขาหลงไปตามลาภสักกะระหลังจ า, า ก, าากา น, น, นี้ก็จะมีแต่ละฝ่ายก็จะเหมือนกับพระวินัยทอบพระธรรมทองคือจะมีคนเข้าข้างผู้ใด เราสมายัยใหม่ทุกวันก็เอฟซีเอฟซแต่ละค้างก็จะเข้าคั่งอาจารย์ของตัวเองอลืมลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ลืมหมดสุดท้ายคั่งนกันด้วยวายจาร์กับพังทั้งคู่ตอนนี้ก็เดือดร้อนโดวยว่าเครือฝ่ายพระ เพือ่อไปติต่อประชาบานแต่มันไม่ควรจะเป็นอันนี้เราตัวอย่างสังส้นๆว่าก่อนเข้าวรรษาเราจำได้ไหมว่าโอวาทพูดถึงเรื่องอะไรบอกแล้ววันหลังต้อ ง, องสักสักใส่หน้าแข้งไม่พอต้องสักแผลนหลังด้วยต่อไป เปิดเคืองหลังสักไสแผ่นหลังแล้วดีก็สักยันเยอะเลยสักยันสักอะไรก็ไม่รู้เอาสักเนี้ยใส่แผ่นหลังให้เต็มแผ่นหลังเลยเขาเพราะว่าแค่สัญญาเขายัางให้ได้เลยเอาปัญญามายัานนะสื่อว่าใช่ไหมเด็กก็บอกกําลังจะทำํำขับข้อทางสื่อประวัติของพ่อ หาที่แล้วรูปที่ล้าทำมาโอ้ยอย่างการ์ระไตรเปดตะฉบับย่อความหนาของมันนะไม่รู้พวกเราเลยเอาเอาไปได้กันทุกคนหรือเปล่าได้แล้วเอาไปนวนหัวหรือปเปล่าเห้อเข้าท่าดีว่าเนาะเออมใช้แทนหมอนได้ไนะเี่ยเข้าท่านะ เออเดีมันจะได้เอออย่างไรมันก็ได้ซึมเข้าไปในสมองเออมันแต่ตอนี้เราจะทําอีกแล้วมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยตอนนี้กีนาก็ไม่รู้ยังกะไม่ได้เลยราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่รูปเป็นร่างตอนนี้ย่าบนอากาศกันนะอย่าบนฟ้าอย่าบนฟ้ายังไม่ลงมายังเป็นนางฟ้าอยู่ตอนนี้น เดี๋ยวนางฟ้าตกสวรรค์นนะเรียนนางฟ้าตกสวรรค์อือเราเล่ เ, เราฟังล่ะอือปุ่นนี้ตปวนออกเป็นสระแมันมีที่มาที่ไปถ้าเราเห็นมาก่อนนาง่อ น, นานั้นที่จะผุญชานี้ไปอยู่ในป่าเือไม่อยู่กับคนนะมัน พยายามที่จะบอกที่จะห้ามก็ไม่ฟังนะขณะพระเจ้ห้ามที่จะบอกเขาไม่เคยฟังมาขนาดนั้นมันเวลามันมนํมนนา ม, มือมันยามขึ้นมาเนะี่ยโอ้ยอย่าไปวางเขาผงจะเบื่อไปอยู่กับลิงไปอยู่กับช้างป่าเลยอะไรอยากกับลิงกับช้างเขาก็มีประวัติความเกี่ยวความความผูกพันกันอยู่ เจ้าลิงโคตได้ดีกว่าพระเจ้าลิงกระโดดลดเต้นตกโลมาตายเกขึ้นสวรรค์เจ้าลิง น, น่ะอืมพวกเรามารู้สามเดินที่ความมายไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นไหนชั้นแรกเป็นเป็นชั้นอะไรสวรรค์ชั้นแรก ไม่ศึกษาข้อมูลเลยเราจะไปอยู่กันยังไงเนี่ยนะข้อมูลพื้นฐานยังไปดูแล้วตออายได้บอกครั า, าอยากจะขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นสวรรค์แล้วชั้นแรกเป็นยังหน้าตาเป็นย ไ, ไงไม่ศึกษาเลยนะเจา้าตูมแสดงว่าทองอะไรท้ายธรรมจักเขาก็มีนะ อ, อธรรมจักเขาก็มีแล้ชั้นจา้าตูมคือที่อยู่ของใครก็ไม่รู้ อันนี้ค่อยตอบที่หลังก็คยตอบที่หลังจะตูมต่อไปชั้นอะไรนะชั้นอะไรนะเป็นดาวว่าดึงแสดงว่าพุทธเจ้าอยู่ชั้นนี้ชั้นที่สองอย่างแตกตัวยาวมาซีโฟกังก็แสดงว่าอยู่ชั้นที่สอง ทำไมไม่อยู่สูงกว่านั้นหรือทำไมไม่อยู่ต่ำกว่านั้นเพราะอะไรอะไรนะเออไปมาหากันถ้าไปอยู่ข้างบนคนข้างล่างขึ้นไปไม่ได้นะไปอยู่ชั้นบนคนข้างล่างขึ้นไม่ได้แล้วเทวดานะเขาจะแข่งกับทิฏฐิมีถ้าทัศเทวดา ภาษีน้อยแสงสว่างมีแสงสว่างน้อยเล็น้อยเขาบอกพระพุทธเจ้าก่อน ก, นก็จริงแต่ถ้าใครมีเซลดาที่มีศักใหญ่เข้ามาต้องถอยนะเขาอยาให้เกียดเ้าคลบกันถอยสู่ภาษีไม่ได้ะนั้ายไปข้างบนคนข้างล่างก็ขึข้นไปไม่ได้จำนังแต่ที่สำคัญคือโยมโยมบรดาท่านอยู่ชั้นไหน โอ้ยน้องฉันรู้สึกได้สูงกว่าอีกเออแล้วทำไมท่านไม่ไปฉันรู้สึกอ่ะออเทวดาล่างมันขึ้นไม่ได้อืมเพราะตอนลงมากาเริ่มพระเจ้าโปรดโลกอ่ะมาอะไราปรดโลกทีเ่เราเราเทศกันทุกวันทุกวันเนี้ยมาอะไราปรดโลก อันนี้คือพรเขาเรียกว่าบริยัติอันนี้คือสิ่งที่เราเราขาดเราขาดก็แปลว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องฟังอยา่างพระบนเรื่องที่น่าเสียดายบ้านเราในพร้อมท้ก อ, อย่างในความพร้อมทุกด้านคือไปพร้อมในเรื่องของคนนี่แหละอันนี้เปนพร้อมไปหมดอืม เพะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานเป็นความรูปพื้นฐานของพวกเราอันนี้ข้ อ, ขอหนึ่งข้อสองก็คือพวกนี้ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลงแล้วก็ขึ้นไปองค์เดียวอันนี้ใส่ขึ้นไปด้วยถ้าบอกว่าพระุทธเจ้าของเราพวกท่านใดไปก็จะจน ม, มุมมาละ คือเวลาเวลาคือมิติหนึ่งที่บนสวรรค์กับโลกมนุษย์อ่ะมันไม่เท่ากันไม่ต้องไปอ่านตำราว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสวรรค์กับโลกมนุษย์เราจพียๆมันกรแปพาเดียวถ้าเราคิดแบบโลกมนุษย์ว่าเออทำไมผู้จะพูดทั้งสามเดือน อันนี้เราคิดแบบมนุษย์นะเราไม่คิดอีกไมิติหนึ่งมันใช้เวลานานถึงสามเดือนหรือไว้ถึงก็ไปแป๊บเดียวอะกูง่านไปแป๊บเดียวเรเคยได้ยินเทวดาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เราแต่งงานครอบครัวมีลูกมีต้องรอร้อนจนตายมรายาสาวพอไปขึ้นสวรรค์ถามว่าเธอไปไหนมาเห็นไหม มันต่างกันใเวลาเพราะฉะนั้นเป็นมันบอกเอ อ, อเวลานี่ที่เราคิดว่าเราได้เยอะได้เยอะเราพยายามไปคิดเร่อเยอะนะบนข้างบนนะ่ะเขาอยู่กันแป๊บเดียวเหมือนเวลานอนอะก็ตื่นขึ้นมาแป๊บเดียวเองเห็นไหมตื่นขึ้นมาคือรู้ตัวนะแต่ว่าสวัสด์น่ะก็ไปสเสวยบนข้างบนเสวยนี่นก็สเสวยอะไรกสเสวย เวทนาเวทนาทั้งสามคือออกไปแล้วไปเสวยเวทนาทั้งสองคือสุขทุกข์และก็อุเบกขาสุขก็คือเนี้ยไปที่ไปดีสุขคติทุกข์ก็คือไปทุกขติอุเบกขาะคือคนที่เขาได้ฌานได้สมาบัติเพ่งียรม อยู่กลางๆงจิตมันเป็นตลางก็ไปชั้นชั้นพงไม่ีสามที่จะไปเพราะนั้นจิตของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันเขา อ, อยู่ที่จิตเราเนี่ยแหละว่าตายไปแล้วจนสิ้นหรืชั้นไหนก็อยู่ที่จิตอยู่ที่จิตวันนั้นเราเคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอว่าจะไปไหนมาไหนมันจิตออกจากร่าง ร่างคือรูปเนี่ยคือดินน้ําไฟลมอยากให้พวกเราจําว่าปิ่นดินน้ําไฟลมรู้ถ้าไปจํามารูปก็มันจะรูปร่างกายเป็นสังขารเป็นอะไรก็ไม่รู้ถมาอยากให้จาําว่าเก่ารูปไห้ไม่ใช่ในหมายถึงดินน้ําไฟลมมันจะเข้าใจเยอะกว่าตรงที่ว่าถ้า เราเข้าใจวรูปนี้คือดินน้ำไฟลมเออต่อไปมันจะบอกเออดินมันก็จะกลายเป็นดินนะน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำํำลมก็จะกลายเป็นลมไฟก็จะกลเป็นไฟอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนมันไม่ไจะสลายไปไหนอันนี้คือรูปเคือตัวคตัวเราอะแต่ตัวที่จิตที่เป็นน้ะมันไม่ได้เกี่ยวกับดินน้าไฟลมจนมันไปต่อตัวนั้นชั้นของจิตมันก็จะไปตามนั้น อันนี้คือง่ายๆเพราะนั้นสามเดือนที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ไดหัดไม่ได้ปฏิบัติเมืนออุปนะตโยโกแล้วเราจะนึกถึงอะไรที่เป็นความดีจิตของมนุษย์มันก็มีชค่นี้เหมือนกันคือจิตดีจิตไม่ดีจิตเป็นกลางกลางถ้าพูดง่ายๆก็คือจิตเป็นภาษาทางธรรมหน่อ ย, ยจิตที่เป็นกุศล คือจิตที่ดิตที่เปอาวุโสคือจิตไม่ดีจิตที่เป็นเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีพูดวิธีทํำของพวกเราก็มีสามเรื่องกันถ้าใครควบคุมสามเรื่องนี้ไปได้ก็รับกรรมคือการกระทําของตัวเองการกระทําทางความคิดทางวาจาแล้วก็ทางใจ เพะนั้นอันนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ชีวิตเราหลังจากได้ชีวิตมาแล้วได้ชีวิตคือชีวิตตานะก็เริ่มต้นจากก่อนนั้นนั้นเราไม่ต้องพูดถึงว่ามาอย่างก่อนที่จะมีชีวิตมาอย่างคือมาจากพบตอบ ไ, ไงคือมาจากพบเนี่ยพบก็คือการมาพบรูปมาพบเอารูปมาพบก่อนที่เราจะมาเป็นอย่างนี้ เสร็จเราก็มาได้ชีวิตมาชีวิตนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตเป็นคนอย่างเดียวเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ชีวิตมาเป็นสัตว์ก็มีเห็นไหมจังมาหมูหมากาไก่วัวควายเขาก็มีชีวิตเหมือนเราแล้วมันแตกต่างกันตรงไห น, นก็ความฉลาดของจิตนี่คือความฉลาดเพราะฉะนั้นทุกอย่าง น, นมันเกิดสามทางกันเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราแสดงออกก็เกิดจากสามทางกันเนี ไม่ได้เยอะเลยแต่ยอมลงยัอ ง, อยงไงก็รูปกับน้ำแต่ใครควบคุมรูปตัวเองได้คุมน้ำตัวเองคนนั้นก็จะได้ดีเพราะนั้นจิตของเราจึงมีสามอาการจิตที่เป็นกุศลือจิตที่เป็นบุญที่เราทำทำอย่างนี้จิตที่เป็นอกอุศลก็จิตที่มันเป็นบาปเราก็ารู้ว่า จิตที่เป็นกุศลนะผลเป็นยังไงคือบุญะเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลคือบาปมันเป็นยังไงเราก็อยู่อย่างนี้แหละเป็นตัวชี้วัดของเราว่าจะไปทางไหนไปทางบุญหรือไปทางบาปรั้นวราพรเทวดสวดแม้กระทั่งตายกันแล้วก็ปุ๊เรื่องนี้แหละแต่ว่าไปเทศนเข้าโรงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคนที่นั่งฟังอยู่หน้าโรงศพ ก็เข้าใจไปเทศอะไรคนตายฟังคุยกันมาเรื่องต่างๆอะไรก็ไม่รู้พอไปสวดอะไรคนตายฟังไม่คิดว่าจะสอนสอนสอนตัวเองเนี่ยคือของเนี่เราเอกุศลละอกุศลกนะั้ า, นนางแค่จิตไม่เฉลาดจิตเป็นอกุศลเพราะใชีวิตเราอยู่ได้เเพราะอาหารนีเร่เราต้องยอมรับ กำลังจะป้อนเข้าปนะกากาาเราอาหารในในทางธรรมของเรามีสี่อย่างจะเป็นภาษาภาษาเราง่ายๆคืออาหารคือคำข้าวที่เราจะต้องกลืนเข้าไปกินเข้าไปดึงเข้าไปอันนี้คือประเภทหนะึ่งคืออาหารประเภทที่สองคืออันนี้ทั้งหมดวัตถุประสงค์ก่ออ่านคือ คือบำบัดเวทนาคือทําให้มีเวทนาบำบัดเวทนาก็คือสุขทุกข์เฉยๆได้แหละอาหารคือข้าวอาหารคือบัลบรรคือพัสษาอาหารเกิดการสัมผัสผัฒษะกระทบกันนี่ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็มนุษย์เป็นอยู่ท้วนเพราะนั้นพัฒษาอาหารนัเป็นที่มาของ ราคาตสสะโมหาต่ อ, ตอมนะันอะเกิดจากพสฒหาอาหารเกิดจากการเจตนาปารเจตโนสัญเจตตัณหาคืออาหารเกิดจากการเจตนาวิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณวิญญาณมันได้แหวสิ่งที่มันล่องลอยที่มันกระทบภายในภายนอกกระทบกันเืิอเอตนะก็เป็นอาหารนย่หนึ่งทําให้เราอยู่ได้ คื อ, อยงยาบัดทัศน เ, เป็นภาษาเราง่ายๆก็คืออยากบอกว่าอาหารกายอาหารใจเขาอย่างเนี้ยสั้นดีที่เราอยู่ได้ทั้งวันกน็เพราะเราได้อาหารทา ง, ทาง<อ>การกาลังรอกันป้อน้อปากเนี่ยเปรีย้ยวหวานมันเค็มอะไรอร่อยอะไรก็ไม่รูนะ้อันนี้คืออ่านาทางกาย นั่นมันไม่เกี่ยวกับใจการอาหารทางใจคืออะไรแร้วเราปฏิบาติกันง่ายคือธรรมะเพราะนั้นอาหารก็มีสองอย่างนี่คืออาหารกายกับอาหารใจวันหนึ่งอาหารกายนี่สามมื้อถือว่ามาตรฐานนะบางคนเกินสามระหว่างมื้ออีกหลังจากมื้ออีกก่อนนอนอีก ไม่รู้กี่มือไปแล้วนี่คืออาหารกายประเด็นโทษของมันทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษอาหารของกายเนี่ยมันมีประโยชน์คือมีคุณจริงแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นโทษนะที่ที่เรา ม, าม อ, องไม่เห็นโทษเข้าัปคือโรคโรคขทำเสียแทงคือทำให้เราเป็นโรค แต่เราไม่รู้ว่ากินคารมันจะเป็นโรคไขมันเกิดจากอะไรเบาหวานเกิดจากอะไรไม่ใช่อ้อยนะไม่ใช่น้ำตาลนะแต่เนี้มันสะสมเข้าไปเยอะเห็นสะะารพัดโรคความดันจะอะไรท่นได้บอกสิ่งใดมีคุณสิ่งนั้นมีโทษ จึงได้มีโทษสิ่งนั้นมีคุณใ น, คในอาหารทางกายออาหารทางใจมันจะมีคุณมีโทษอย่างไรอาหารทางใจเกิดจะอาจจะระข้างข้างใ น, งในมันผัสสะเกิดกระทบกันนี่คือจุดตัดเจนตาจากโศนรกแต่โรคเกิดวิญญาณก็รู้ขึ้นมา ตะได้ความรู้ขึ้นมามันรู้มันสบายใจไม่สบายใจเฉยๆมันก็มีผลทําให้ผลตรงนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับรูปไม่เกี่ยวกับตาแต่มันผลที่ใจมันมีผลที่ใจคือมันมีทั้งคุณ ม, มีทั้งโทษแต่นี้ทั้งสองอย่างเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันต้องการให้พวกเราเห็นตัวเองก็หเห็นอันนี้ เห็นข้อดูเห็นข้อเสียผลกระทบผลกระทบคือกระทบจริงๆคือผลจากาปฏิสัมพันธพราะนผลที่เกิดจากการกระทบกันกระทบก็คือปฏิสัมพันแล้วมันเป็นยังไงไม่ทันเพราะอะไรเพราะสติเห็นแล้วสติมันตามไม่ทันก็บจริงที่พอฝ่ายคารวะเจเจมันกับฝยพระเนี่ยที่อาจารย์สอนทำทั้งคู่ แต่เวลาผัดซ่าจริงๆมัเอาไม่ทันคือได้แต่ตาํารางเอาจริงๆแล้วมันไม่ทันดังนั้นภาษาการที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครเข้าใจอาหารกายอาหารใจตัวเองดด้ถ้ามันลืมมาฝ่ายฝ่ายพระสองฆ์องค์เลนท่านนี่เขาจะนับอายุกันก็ตรงนี้แหละก็คือพรรษา ภาษาแปลว่าการผลคือรู้ดูผลนั่นแหละใครภาษามากภาษาน้อยเขาวัดกันตรงนี้เขาไม่ได้วัดกันก่อนหน้านั้นหลังตรนนั้นเขาวัดกันตรงนี้ตอนนั้นก็จะได้อีกหนึ่งภาษาหนึ่งการผลก็หนึ่งปีพนังานวัดเป็นปีแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองได้นะมันได้อะไรเขาไม่รู้แต่จริงหรือเปล่า มันเพิ่มเข้ามาจริงหรือเปล่าอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาเพราะนั้นวันวันนี้จึงเป็นวันตัวบอกว่าเราจะเรียกวันตัวบอกลาังตัวลานังนก็คือก่อนที่จากกันหมายว่าออกพรรษาเดิต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอาจจะประม า, าทพัดพั้งโดยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีต่อกันเขาให้จับ เขาคุยกันเพื่อสลายปัญหาว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยว่าจากกันไปแล้วการกระทําด้วยความพิสก็ดีด้วยวก็พูดด้วยการถามก็ดีที่โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอกรคำนั้นจะเป็นโอโสิกคำคือคำที่ไม่มีผลแต่ที่สันคือปรณาว่าจันทรไปก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ความหมายแสดงใ้คนที่กล่าวตักเตือนกันเพราะจะเห็นว่าทั้งคู่ยกตัวอย่างทา้ไปพระและปายคารวาสอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าบอระนาวเพราะมันตักเตือนกันไม่ได้เพราะถคนนี้ตักเตือนกันได้ก่อนเอ่งตัวเองต้องมีเมตตาก่อนแสดงว่าทั้งคู่ไม่มีเมตตาให้กันมันถึงได้เป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นกรณีศึกษาเล็กๆเราก็เช่นเดียกันที่ยวเอาแผลไม่ตาเอาแผลไม่ตาในขณะตัวเองเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นคนมีเมตตารจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเบที่ไม่ฟังสงสัยว่าก่อนที่เอาสตังค์ให้คนอื่นอะกระเป๋าเราต้องมีสตังค์ก่อนนะเรารู้ว่าสตังค์เรามีค่าใครก็อยากได้เพราะเป็นของมีค่าเพราะสามารถที่จะแปร เป็นปัจจัยสี่ตามความต้องการเพะนั้นใบโบรณาณเขจึงเขียนว่าขอพระคุณเจ้าถวายตามจำนวนเพื่อสงวนแก่สมณะบริโภคถวายปัจจัยสี่เพื่อสงวนแก่สนณบริพกุกเพราะนั้นสมณบริพกุกสงวนอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนคือเจตนาโดยมุขการข้ามาปวารณาเพ ร, ะราะนั้นวันนี้ จ ร, จริงๆลราต้องเป็นปฏิโมกแต่วันนี้เขาเรียกวันปวารณาวันนั้นวัออกไปทุกคนไค่ยกขึ้นมาเป็นภาษาวาลียังไม่รู้ด้วยสามว่าที่พูดพื่อเพื่อไปต้องการให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้ออกไปก็เหมือนเดิมเนะี่ยเพราะไม่เข้าใจมัน เ, เรียกปริยัติอย่างอย่างอย่างไม่เข้าใจเราปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราปฏิเวทเราจะได้ผลจาก ข้อหนึ่งกัสองได้อย่างไรมีเพระนั้นก็อนุโมทนาพวกเราทุกคนในภาษาการนี่เจอว่าพวกเราก็ได้เข้ามาทุกสิ่ทุกสิ่งเพื่อรักษากายรักษาวาจาคือรักษารูกนั่นแหละแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมคือรักษาใจก็คือเราอาหารทางกายอาหารทางใจได้หมดครบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ปัญ า, าการนี่ที่ผ่านมาบอกให้อุบาทให้แล้วให้อีกสําแล้วซ้าอีกว่าเรามาสร้างบารมีนะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีตอนนี้ณขณะนี้ก็ดีต่อจากนี้ไปก็ดีเราสร้างบารมีบารมีทางกายบารมีทางวาจาบารมีทางใจนเพื่อตัดกรรมบารมีทางกายทางวาจา มันมันวัดได้กันยังไงวัดกันตรงไหนพราเปลี่ยนเที่ยงให้ฟังบาลามีมันวัดกันที่ไหนวัดกันที่กายวัดกันที่วาจาวัดกันที่ใจนี่คือการเข้าวัดแล้วถ้าจะไปแก้กรรมก็ต้องแก้ตรงนี้แหละมันต้องไปไปแก้ในก้าวัดสิบวัดร้ยแปดวัด ไปสร ะ, ะเร า, าะหสระคําสระเวรตามของปัจจัยตามป ร, ริยัติแล้วบอกไปการแก้กรรมมันรู้ไปแก้กรรมรราเพิ่มกรรมลังการแก้กรรมมันคือแก้ น, นี้คู่แก้กายตัวเองนะแก้วาจาตัวเองแก้ใจตัวเองนี่คือการเข้าวัดคือวัดกายวัดวาจาวัดใจไปวัดก็ได้ไม่ไปก็ได้ ฆ่าวัดได้พลวัดตัวเองได้ไม่ได้ไปข้าวัดก็ได้ถ้าวัดตัวเองได้นี่กัรข้าวัดและกาสร้างบารมีนะครับตัวเองปัญหาภาษาการที่บ่านมาทั้งหมดเราเราประทุกทูลว่าวัดกายอ่ะเราวัดอะไรได้บ้างวัดทางกายวัดวาจาวัดอะไรได้บ้าง วัดใจเลยนะยิ่งหนักเลยวันนี้ใจในรเรื่องของธรรมในเรื่องของธรรมมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็ขออนุโมทนาของพวกเราทุกคนได้มาสร้างบุญญาบาราีด้วยกันอย่างน้อยที่สุดก็คือเรารู้เล้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่านรกสวรรค์ ไม่ได้กล่าวขึ้นมาเลอยๆแต่อยากจะให้รู้จริงไปกว่านั้นก็คือนรกสวรรค์ไม่อยากให้เรารอเมื่อจิตออกจากร่างหรือแต่ป็ญญาณแล้วจึงจะไปเสวรรยจริงๆแล้วนรกสวรรค์มันก็อยู่สามอย่างนี่แหละ ถ้ากายเราสบายสบายกายเนะี่ยขึ้นสวรรค์แล้วผลทางกายถาวจารไม่มีผลเสียอะไรให้ขึ้นสวรรค์แล้วนะใจก็เช่นเดียวกันนี่ถ้ารองกันข้ามตายก็คืออาจขัดข้องอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลําบากอยู่กับงูอยคณนะอยู่กับเพื่อนไม่ได้อันนั้นมันน่ารักเลยนะ ไปอยู่ที่ไหนก็ลาบากเราว่าจาร์ก็เช่นเดียวกันใจก็เช่นเดียวกันให้เราขึ้นสวรรค์อย่างนี้แล้วเข้าใจตรงกันอย่างนี้มันจะได้เออเข้าใจโอ้สวรรค์มันไม่ใช่เรื่องโอชาติหนูชาติหน้าชาติวันนี้เดี๋ยวนี้ใจถ้ามันขึ้นสวรรค์บางครั้ไปเจอรูปหนึ่งใจตกนรกคนหนึ่งมันอยู่ที่ใจแล้อย่างเดียวแล้วตนี้ อยู่ ใ, ใครว่ายาใจนี้ทีนี้เลือกเอาวันไหนอยากขึ้นสวรรค์ก็เลือกเอาวันไหนอยากตกนรกก็เลือกเอาอวันไหนที่อยากขึ้นไปนิพพานคือดับให้มันดับเราก็เลือกได้ประเด็นคือในแต่ละวันเราเห็นพวกนี้ว่าเป็นนรกสวรรค์หรือเปล่าใครไม่มีสติจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ ถ้าใครมีสติเข้มข้นสติเยอะหรือสติทุกขณะอยังดีจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราทุกวันนั่นก็แปลว่ามันเป็นนรกเป็นสวรรค์ทุกวันทุกวนอนเลือกเอา่ะอยากขึ้นสวรรค์อยากลงนรกอยู่ที่เราล้ว ถ้าใครเพื่อนไปยกมือแล้วของขอยกมือเสร็จแล้วขอขอเอาอย่างเดียวน่ะสวรรค์ขอน่ะเวลาเจอขอทานเราลองเกลียดเขาลองเกียดขอก็ขอแต่เวลาเราขอมั่งเทวดาก็น่าจะรังเกียจเราเหมือนกันนะอีกแล้วไอคนขี้ขอนมาอีกแล้วนะแล้วกูจะให้ใครมานั่งกันก็ให้ให้ไปเท่ากันกระหาวากูรัเกียจอีกแล้วไปโทษเทวดาอีกแล้ว กออ็หนักใจนะทำให้เทวดาหนักใจเลนะโอ้แต่แล้วแต่แล้วเ ข, ขาวาดเขาวดั้งนานทำก็อึนอึนแบใจเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือตรงไหนที่มันมืดเราก็ไปอยู่ที่สวา่างตรงไหน ม, มันดหนาแ น, น่นหรืออาจระคล่องก็ไปอยู่ที่มันโลง่ลงๆเออนี่คือธรรมชาติตอนเหมือนตอนแย่เลยเขออกไปข้างนอกแต่ว่าโดนน้ำโดนดินโดนไฟโดนลม กษัตรหเหมือนกันใจเราเอื้อต่อข้องเรื่องอะไรก็ไปอยู่กับเรื่องนั้นอย่าไปอยู่กับเรื่องนานให้ออกากเรื่องนานเออมันคิดอย่างนี้แหละมันไม่สบายใจเออมันตกนรกอยู่นะตอนนี้ทำขึ้นสวรรค์ได้ไหมได้เยอะแยะความดีที่เราทำอะไรจะ เ, เยอะแยะมากมายทำไมเราไม่คิดถึงเคยไปทาบนที่ไหนเออเป็นความดีเออสบายใจมันตอนนี้ เรากำลังจะ น, นำของสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดไปที่เป็นโ ด, โดยอินเซียอย่างเงี้ยก็เป็นโอเปนไอโคเนาะเป็นอนุสติอนนึกอย่างนี้เราสบายใจแล้วก็อย่าไปนึกแต่ควที่ไม่สบายใจคือแค่นี้แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่ได้ก็ปรับพุทธเจ้าของเราใช้สองคำกนนี้นะอันหนึ่งก็คือปรับ สองคือเปลี่ยนคือปรับนีนภาษาแรงๆหน่อยต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าปฏิรูปเขาปรับนะเขาบอกเปลี่ยนคือปฏิวัติฝรั่งเขาใช้คํานี้นะแต่ก็เป็นภาษาเขานาะปฏิรูปกับปฏิวัติเนะี่ยทีนี้เราลองมาใช้กับตัวเองตรงไหนที่มันจะปฏิรูปได้คือปรับได้ ก็ปรับเธอตรงไหนที่ปฏิวัติคือเปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนเถอะภูธิญาเราทําเป็นตัวอย่างตรงไหนที่ปฏิรูปพ่อคงทำเป็นตัวอย่างตรงไหนที่ปฏิวัติคือทําตรงกันข้ามเลยภูธิญาทำให้เราดูทั้งสองอย่างทั้งปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติแต่สองคเนี้ย พระองค์ใช้กับตัวเองจ้องกันข้ามกับพู้เรานะ่ะอยากปฏิรูปคืออยากให้คนอื่นปรับทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่คิดอย่างนี้นอะทําไมมันพูดอย่างนั้นอยากปรับคนอื่นแล้วทําไมเขาไม่ไม่เป็นอย่างนัน อ, อยากเปลี่ยนคนอื่นลองเอามาใช้กับตัวเองเออทําไมเราไม่ปรับอยา่าไปคิดคนอื่นนะ เออทำไมเราไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้ออกมาใช้คา น, นี้กับตัวเองมาใช้กับตัวเองแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองมากแต่ถ้าเราไม่ยอมปรับเลยไม่ยอมเปลี่ยนเลยคือไม่ยอมปรับความคิดของตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนวาจาที่เคยพูดอย่างนี้ก็จะพูดอย่างนี้ใจคิดก็จะคิดอย่างนี้เขาเรียก ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนคือมันไม่จะรูปมันปฏิวัติตัวเองเราก็จะได้แค่นี้แหละ้ละอยาจะไปโทษราเออทำไมมันลำบากทำไมมันทุกข์ก็ยังดียังรู้จักว่าทุกข์แต่ข้อเสียคือไม่หาทางออกคือวิธีแก้ทุกข์จริงๆในชีวิตปัจจุบันของพวกเราเนะี่ยถ้าใครโอปนัจโกใครมีสติ ใครก็เรียกวิวปัสสนาเก็บตัวเองทุกสิ่งท่านใช้ก็สิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นภาษาธรรมนคือมารู้จะใช้คำว่าอะไรแทนเหล่านี้จริงๆครับาจคือธรรมะนั่นแหละแต่มารู้จะใช้คำอะไรเพราะมันกว้างมีความหมายมีรนยะเยอะมากใช้ก็ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ครูเจ้าใช้เหมือนเหมือนกับเนี้ย เศษใดเสมือนสมมติเราเอาอเป็นอาหารเราจะมองอาหารเป็นทุกข์ได้ยังไงวิมพัทจะเป็นทุกข์ได้ยังไงก็กินแล้วมันความสุขใช่ตอนกินนั้นมันมีความสุ ข, ลสขหลังจากนั้นไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงเป็นยังไงเวลากินเนี่ยเรียกกันวกวาดมือก็เรียกมามามาม า, มามเวลาจะออกเป็นยังไงเออเนี่ยเราคิดเราคิด มันต้นทางคิดได้กลางทางปลายทางคิดไม่ได้ในภาษาของเราทุก ว, วันน่ะโอ้โหใครเรอะมากโดดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำก อ, อันนี้เลยคือคิดได้ตอนอร่อยมันกินเออไม่กินเลยตอ น, นเดียวออกเขาเรียกว่าอะไรเวลาไปปล่อยเขาเรียกปล่อยอะไรโอยแบ่งจนลิซี่ดวงจะแตกเลนะเออ บ่งกันโอ้โหแล้วปล่อยแล้วก็เรียกว่าปล่อยทุกเอาตอนเอาเข้าปากเขาบอกเป็นทำไมสุกอ่ะทำไมเราไม่บอกว่าปล่อยสุกอ่ะเออเนี่ยเราคิดอย่างนี้เนไหมแตถ้ามันคนหนักๆอย่างนี้เรียกว่าทุกหนักแต่ก็ไปของน้าของเราก็เรียกว่าทุกเบาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันนี้จริงๆมันมีตลอดนั่นแหละแต่ถึงเวลาจริงมันต้องมันต้องออกไปนะคือ วันหนึ่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็สามวันให้เต็มที่ถ้าเลยไปนั้นก็มีการสวนกันละงารนี้เออต่เข้าสวนกันละแต่ถ้าเป็นปกติก็วันหนึ่งก็ต้องเข้าก็ต้องออกวันแปลว่ามันเข้าไปแล้วมันต้องออกหรือความคิดกับพูดการทําของเราเหมือนกัน่ะมันเข้ามันอยู่ในใจแล้วมันต้องออกให้ไม่ออกก็ขังมันเอาไว้เนี่เขาเรียกว่าทุกข์ เรขังทุกทุกวันมาให้มันออกมันจะอือมาให้มันอืออันเอาไว้เอือแล้วจะไปโทษแมวที่ไหนตอนนี้ก็บ่นจังเลยโอ้แต่มันทุกข์เหลือเกินเอาเข้ไปขังมันเอาไว้เราไม่ปล่อยออกไงเขวิธีอือบที่ไม่มีความสุขคิดอย่างไรก็ได้ให้มีความสุขก็ไม่คิดพูดอย่างไงก็ได้ตัวเองมีาสุขก็ไม่พูดทำอย่างไรก็ได้ใเป็นความสุขหรือคิดไม่ได้พูดได้ทําได้ นึกสิ่งที่ผ่านมาัสิ่งที่มันเป็นดีๆเราก็นึกไม่ออกอ น, นะนั่คือคาเลอร์วิตีนี่เป็นแนวแนวในาการปฏิบัติแต่ว่าแนวนึกแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันถ้าใครมีแนวอย่างนี้เราเรียกว่าคนมีหลักคือหลักคิดหลักพูดหลักทําเป็นการแก้กรรมโดยเบ็ดเสร็จ ถ้าใครแก้หลักคิดตัวเองไม่ได้แก้กับูดตัวเองก็ได้แก้การกระทังตัวเองไม่ได้ปวดหนักเกินไม่ยอมปฏิรูปไม่ยอมปฏิวัติมันก็ชัดเจนอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยขออนุโมนาความดีพเราทุกคนที่ทำมาทั้งหมดประมูลลงในธรรมวันออกรรษาในวันนี้ ก็ขอความดีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทบมาเป็นทั้งหมดตลอดปัญหาการนี้จนเป็นพลวัปัจจัยปกป้องดูแลคุ้มครองดูแลของเราทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญตลอดทั้งบุญกุศลที่เราทำมาทั้งหมดในปัญหาการนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายผู้มีผู้คนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผูน้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้เราทั้งหลายได้กระทำควาเป็นตลอดประสา ก, การนี้ขออานุนมนทนา